าตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจให้ดีตั้งใจให้เป็นหนึ่งมีสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตปกติอยู่ หายใจออกก็รู้ว่าจิตคือความรู้สึกนี่เป็นปกติอยู่นี่เรียกว่ารู้ตัวกายก็นั่งอยู่ตรงนี้จิตก็มีความรู้สึกอยู่ภายในมีสติประคองความรู้สึกอันนั้นไว้ อย่าให้มันคิดส่งสายไปข้างนอกนี่วิธีสำรวมจิตนะให้เข้าใจเมื่อสำรวมจิตในเบื้องต้นนี่ไม่ได้จิตจะเป็นสมาธิต่อไปไม่ได้เลยดังนั้นให้รู้จักวิธีควบคุมจิต เราทุกคนได้ชื่อว่าเกิดมาอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์ความทุกข์มันครอบงำอยู่อย่าพากันนิ่งนอนใจอย่าพากันเพลิดเพลินมัวเมาไปแต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกไม่ทวนกระแสจิต เข้ามาดูร่างกายดูดจิตใจมันก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตนนั้นเป็นทุกข์อย่างไรไม่รู้จริงๆนะคนเรานะตอนเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ก็ไม่รู้ตัวรู้อยู่แต่ไม่รู้หมาความว่า รู้ว่าเป็นทุกข์แต่ไม่มีอุบายที่จะระงับทุกข์ได้นั่นนะจึงเท่ากับว่าไม่รู้นั่นแหละเมื่อผู้ใดมาภาวนาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมากำหนดรู้กายรู้จิตนี้อยู่ก็ย่อมรู้จากทุกข์ เพราะร่างกายนี่มันแปรปวนอยู่เรื่อยไปไม่คงที่แล้วจิตก็อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้เมื่อร่างกายอันนี้มันแปรปวนไปมันกระทบกระทั่งกับจิตจิตก็มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไม่ปกติวุ่นวายอืม แต่จิตของท่านผู้รู้ทั้งหลายแล้วท่านไม่หวั่นไหวเพราะท่านรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อมันแปรปวนไปก็เป็นเรื่องของมันเราก็บังคับมันไม่ได้หน้าที่ของจิตก็มีแต่กาหนดรู้เท่าตามเป็นจริงอยู่เท่านั้นเอง เราจะไปบังคับให้มันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้เลยจะแนนให้พึงพากันเข้าใจอันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสอนสัตว์โลกจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็คือพระประสงค์ที่จะให้รู้จักทุกข์นั่นแหละ แล้วก็ให้รู้เท่าทุกข์ตามความเป็นจริงเพราะว่าทุกข์นี่เมื่อขันห้ามีอยู่ตราบใดทุกข์ก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้นเมื่อจิตยังอาศัยขันห้านี้อยู่ตราบใดก็ต้องรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของขันห้าอยู่นั้นดังนั้นเมื่อเวลา ดวงกิตนี่ยังอาศัยขันห้านี่อยู่เราก็ต้องทำความรู้เท่าขันห้านี่ไปอยู่เสมอเสมอไปรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ก็พูดกรงกว่าว่าเหตุที่จะให้เกิดขันห่านี่ขึ้นมานะ่ะคือตัณหาตัณหาความอยากในใจ ตัณหาอยากเกิดอีก <c oughs> อยากเป็นอย่างโ น, น้นอยากเป็นอย่างนี้ทันเรียวาภาวะตัณหาเมื่อมีความรักใคร่มากตัณหาก็อยากจะได้สิ่งที่ตนรักตนใคร่เงินทันเรียกวากรารมะตัณหากรรมะตัณหาเนี่ สำหรับให้เกิดความดิ้นรนทะเยอะทะยานในปัจจุบันนี่แหละตาได้เห็นรูปสวยๆก็รักใครชอบใจอยากแก้ได้หูได้ไยได้ฟังเสียงไพเระาะเพาะเพ่งก็อยากจะฟังเรื่อยๆไปจมูกได้สูดกลิ่นถ้ากลิ่นเหม็นไม่ชอบถ้ากลิ่นหอมชอบใจ ลิ้นได้รับรถอร่อยก็ชอบใจถ้าได้รับรถที่ไม่อร่อยก็ไม่พอใจกายได้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างใจได้รับรู้ อารมณ์ทางห้านั้นก็ทำให้เกิดความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างนี่เรียกว่ากรรมตัณหาความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมอย่าให้มันเกิดความใคร่ขึ้นมาอย่างนั้น เพราะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันไปนรักไปใคร่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงได้มาแล้วมันก็แปรปรวนไปแตกดับไปความอะไรเสียดายก็เศร้าโศกร้องให้ลำเลในสิ่งที่ได้มาแล้วมันไม่ยั่งยืนของรักของชอบใจทั้งหลายพลัดพ ร, พรกากจากไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อน นี่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็มักจะติดอยู่ในกามคุณนี้เองดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องก่อให้เกิดทุกข์เป็นเรื่องก่อให้เกิดทุกข์ทั้งกายทั้งใจ ก็เมื่อเกิดความรักความใคร่อยากได้ขึ้นม า, นาเราก็จแสวงหาถ้ามีได้ยินได้ฟังท่านกล่าวว่าเมื่อทําบุญได้ทานให้ของสวยๆงามๆดอกไม้ ก, สมมกส็สวยงามผ้าหนุ่งผ้าห่มก็สวยๆงามๆเมื่อให้ทานอย่างนี้ เกิดไปชาติหน้าก็จะมีรูปสวยรูปงามมีเสียงไพเราะเพราะพิ้งอ็ได้ต่างๆหมดนี่นะเมื่อได้ยินอย่างนี้ก็อยากอยากให้มีรูปสวยรูปงามาก็ขอนขวายสิ่งเหล่านั้นมาทำบุญทำทาน นี่ทันเรียวกว่ากามมุปตะทานความยึดมั่นถือมั่นในกามทาั้งหลายมันเป็นเรศได้เกิดทุกข์เมื่อได้รูปอันนี้มาแล้วรูปอันนี้จะสวยยังไงงามยังไงหรือขี้ราอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เที่ยง ถึงเวลามันแปรปรวนมันก็แปรปรวนไปเป็นอย่างนั้นจิตที่อาศัยอยู่ในรูปอันนี้นะ่ะทนทุกทรมานแต่นี่ก็ยังชั่วนะการที่จิตได้อาศัยร่างอันเป็นมนุษย์นี่ความทุกข์ก็ยังไม่มาหันตรุกเท่าไหร่ถ้าจิตนี้ได้ไปอาศัยร่างของเปรต ร่างของสัตว์รกเป็นอยู่เช่นนี้แล้วก็ได้รับทุกข์ทนทรมานมากมายก็ให้พึ่งสันนิฐานดูอา้าวเปรตที่ว่านั้นเราไม่เห็นตัวจริงมันแต่ดูที่รูปร่างของมนุษย์ก็แล้วกัน รูปร่างของมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ที่มีความวิบัติมีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนแล้วก็บกพ้องเช่นตาบอดข้างหนึ่งเห็นแต่ข้างเดียวอย่างี้นะหูกาหนวกฟังเสียงอะไรก็ไม่ชัด ร่างกายก็มีโรคอะไรแงรงเบียดเบีย น, ยนทนทุกทรมานอันนี้เราเรียกว่าจิตประอาศัยในร่างอันที่บาปตกแต่งให้มันก็ยอมได้รับทนทุกทนทรมานอยู่อย่างนั้นให้ให้พากันดูเมื่อเห็นคนพิกลพิการต่างๆแล้วอย่าไปหัวเราะ อย่าไปโยกเยอ ะ, ยอะให้น้องก็ามาพี่นาดูตนของตนพี่นาสอนตนอะร่างอันนั้นะบาปตกแต่งมันทำบาปมันเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นมาแต่ชาติก่อนนูน่นไปทุบไปตีเขาฟันไปฟันไปแทงเขา ให้เจ็บให้ปวดม่ให้ถึงตายให้พิคนพิการไปไอ้กรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาสนองเอาทำให้ร่างกายพิคนพิการต่างๆ <c oughs> นี่มันเห็นประจักษ์ในปัจจุบันชาตินี้เองถ้าเราพูดถึงเรื่องที่เรามองไม่เห็นด้วยตา มันก็ไม่ค่อยจัดเชื่อก็ดูเอาที่เรามองเห็นด้วยตาหนังหนังนี่แหละมันก็มีอยู่ดาาดืน่นนี่ละบาปกรรมตกแต่งดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ละเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน จึงทรงสอนให้มีเมตตากรุณาต่อกันและกันเช่นนั้นถ้าสำรวมกายวาจาใจของตนให้ดีไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นและไม่เบียดเป็ น, เ, ปนเบียดไม่เบียดเบียนตนด้วยอย่างนี้แล้วก็ถ้ายังมีเกิดอีกอยู่เกิดไปชาติใดก็จะมีร่างกายสมบูรณ ไ ม, ม่วิบัติขัดข้องไม่มีโรคภัยอันร้ายแรยงเบียดเบียนแล้วก็จะมีโอกาสได้บำเพ็ญกุศลคุณงามความดีได้เต็มที่ก็เหมือนอย่างที่เราที่มารวมกันอยู่ในศาลาการประเรียนนี่แหละลองสังเกต ด, ดูที่ต่างคนต่างก็มีร่างกายอันดี มีกำลังเลี่ยวแรงดีสามารถประกอบกุศลกิจต่างๆได้โดยเฉพาะไ้วพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเราก็นั่งได้เพื่กิจตรงนี้ให้เข้าถึงความสมบางบประงับเราทำได้เพราะ จิตนี่ได้อาศัยร่างกายอันไม่สุดโทมจึงสามารถทำความเพียรได้เต็มที่ถ้าหากก็ไปได้ร่างกายอันอดอ่อนแอสุดโทมดังที่กล่าวมาแล้วนั้นย่อมไม่มีโอกาสที่จะมาบำเพ็ญทางจิตใจได้อย่างนี้ จิตใจก็อ่อนแอไปตามร่างกายเพราะใจไม่มีคุณธรรมมันก็อ่อนแอไปตามร่างกายนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเองหาความสบายไม่ได้ดังนั้นเมื่อรู้ว่าตนเป็นผู้มีบุญคนหนึ่ง บุญกุศลได้นำดวงกิตนี่มาอาศัยร่างอันนี้เกิดในร่างของมนุษ์นี่อย่างนี้นับว่าเป็นวาตนาณาบุญสาหรับผู้ที่ยังสร้างบุญบา ร, รมียังไม่เต็มแล้วก็ต้องอาศัยร่างอันนี้ได้สร้างบุญบา ร, รมีไปอผู้มีศรัทธาออกบวชก็ได้บวชมาแล้วก็ตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติตตามธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถพระพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมทรงบัญญัติวินัยคือระเบียบขอบังคับกายวาจาให้อยู่ในขอบเขตอันดีงามไม่ใช่เป็นเรืองบีบคั้นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไร เมื่อใช่เลยพิจารณาดูให้ดีวิในทางกลางนั่ะล้วนแต่เป็นข้อบังคับความประพฤติทางกายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้เป็นคนซุกข์นเกะกะ ร, ะรานผู้อื่นลองคิดดูสิวินัยที่บรญยัติวไว้นั่นเมื่อเป็นผู้มีวินัยอย่างนั้นแล้วก็เป็นผู้มีความประพฤต ทางกายวาจาเรียบร้อยดีข้านำมาซึ่งความเลื่อมใสของบุคคลผู้ได้พบได้เห็นก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมาเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ตนก็คือตนไม่มีบาปครอบงามจิตใจแล้วก็ทำให้ผู้อื่นได้ทำบุญทำทานได้กราบได้ไหว้ เขาก็พลอยได้บุญได้กุศลไปด้วยนี่ให้มองเห็นให้พากันมองดูให้มันเห็นการที่เราประพฤติทำประพฤติในคำสอนของพระเจ้านี่นะมันทำให้เป็นประโยชน์ทั้งตนและทั้งผู้อื่นอย่างนี้นับว่าชีวิตไม่เป็นหมันทีเดียวเกิดมาชาตินี้ อันโลกนี้นะี่ะที่มันอยู่ด้วยกันโดยความสงบระ ง, งับไม่ได้นั่นก็เพราะมันไม่มีระเบียบไม่มีวินัยอยู่กันตามอำนาจของกิเลสสุดแล้วจากกิเลสมันจะจูงไปให้ทำอย่างไรพูดอย่างไรเอาเส้นความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแล้วระ ง, งับไม่ได้มันก็ แสดงกิริยากายอันหยาบคายออกมาทุบคนอื่นตีคนอื่นทุบคนสัตว์อื่นตีสัตว์อื่นให้เจ็บให้ปวดให้ล้มให้ตายอย่างนี้แหละที่มันแสดงออกมาเมื่อบุคคลที่ไม่เปึกตนนั่นนี่ ไม่ฝึกจิตไม่ห้ามจิตของตนไม่ยึดเอากุศลความดีเป็นที่พึ่งไปยึดเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นที่พึ่งกิเลสเหล่านี้มันกระทำพิษอะบรแนี้นะโดนบันดาลให้ความบอบพฤติ ท, ทางกายวาจาเหลวไหลไปแล้วถึงได้เบียดเบียนกันอยู่เนี่ยมนุษย์โลกนี่ก็เพราะขาดวินัย ไม่ยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบิไไนที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ทั้งครึงหัสทั้งนักบวชนั่นแหละครึงหัสอย่างนี้สีขาโบธาประการนั้นล้วนแต่ห้ามไม่ให้เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นทั้งนั้นเลยพระองค์นทรงมีพระมหากรุณา ที่คุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลต่อสัตว์โลกแต่สัตว์โลกไม่สนองตามพระประสงค์ของพระองค์ส่วนมากนะไม่ยอมรับปฏิบัติตามไม่ยอมเว้นตามเช่นนั้นแะมันถึงได้เบียดเบียนกันให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นแม่ผู้เข้ามาปฏิบัติ อยู่ในวัดวัดวดาศาสนาแล้วก็ตามก็ยังเบียดเบียนกันอยู่เมื่อบุคคลประมาทไม่ฝึกกายไม่ฝึ ก, กจิตให้สงบประงับให้ตั้งมั่นลงไปให้เข้มแข็งมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้พอมีอะไรกระทบกระทั่งมาก็ฉุนเฉียวขึ้นมาเลย พอมีสิ่งที่น่ารักน่าพอใจกระทบกระทั่งมาก็เอา้าเกิดความรักความพอใจขึ้นมาอย่างรุนแรงนี่แม้จะมาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัตรศาสนามันก็เบียดเบียนกันได้ถ้าผูใ้ใดไม่ยอมละ ก, กิเลสเหล่านี้ไม่ยอมทำความเบียน ไม่ยอมเอาทุกเป็นทุนกลัวจะเป็นทุกนอนน้อยก็กลัวจะไม่สบายต้องนอนให้มากมากคืนดั้งคืนอย่างนี้เรียกว่าคนเป็นผู้ที่ลืมตัวไม่รู้ตัวถือเอาการหลับการนอนว่าเป็นความสุข ต, ตนได้นอนมากเท่าใวนาบตนมีความสุขมากเท่านั้นคนนอนมากเช่นนั้นเลยไม่มีปัญญาไม่ได้คิดอ่านอะไรไม่ได้กีเลธหุ้มห่อจิตใจอยู่เท่าไรก็เท่านั้นไม่สามารถจะทำให้มันวันเทาเบาางได้เลย แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นะ่ะการนอนมากๆมันจะดีตรงไหนล่ะอ่ดีตรงว่าอ่ามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีไอ้ร่างกายสมบูรณ์ดีเท่านั้นมันจะสมบูรณ์ไปถึงไหนกันนะถ้าว่าได้นอนมากๆนั้นแล้วร่างกายจะเที่ยงยั่งยืน จะไม่แก่ไม่ชันลา้าไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเอออย่างนี้มันก็พอนอนอยู่คนใดนอนมากๆร่างกายก็ยิ่งอ่อนแอลงไปจิตใจก็อ่อนแอนั่นะท่านจึงเรียกว่าคนเกียกคร้านคนสันหลังยาวหัวเนื้ เอาแต่นอนเป็นประมาณอย่างนี้กำลังวางชามีอยู่เมื่อไปพอใจในการนอนนั้นแล้วตนแข็งแรงอยู่ก็ก็เหมาว่าตนอ่อนแอตนไม่สบายเหนื่อยเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำงานไม่ได้ แต่เวลากินเนกินได้เต็มที่อันนี้แหละท่านเรียวกว่าคนเกียดคร้านเห็นแก่หลับแกนอนเลยไม่ได้ทำความดีอะไรไม่ได้ฝึกตนเลยกิ้เลดมีเท่าไรก็มีเท่านั้นบางทีก็สร้างเพิ่มเติมเข้าอีกมากขึ้นไปเรื่อยๆ เราคิดดูให้มันเห็นบุคคลผู้ที่อาศัยความสุขในการหลับการนอนมันยังย่งยืนที่ไหนเมื่อถึงคราวร่างกายมันจำรุดทุดโทมมันก็จำลุดทุดโทมไปดังนั้นผู้เรียนรู้ตัวแล้วเวลาร่างกายมันไม่จำลุดทุดโทมมันมี กำลังดีอยู่นี่ก็รีบฝึกตนเข้าไปอย่าเกียดทานถึงนอนมากมันก็ช่วยป้องกันแก่กันตายไม่ได้หรอกกินมากก็ป้องกันแก่กันตายไม่ได้สอนตนเข้าไปอย่างนี้เพลิดเพลินมัวเมามากรำที่ไหนไปที่นั่นขับร้องที่ไหนไปที่นั่น ดีตีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นเสพาที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นมันก็ป้องกันเจ็บป้องกันตายไม่ได้การแสวงหาความสุขเช่นนั้นผู้แสวงหาความสุขเช่นนั้นก็ยังแกยังเก็บยังตายอยู่ แต่แล้วจิตใจของเขาไม่เป็นท่าเลยเพราะความสุขเช่นนั้นมันไม่ได้ติดสอยห้อยตามไปเลยมันเป็นสุขอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าแล้วความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมดเลยลองคิดดูเป็นอย่างนี้แหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว ท่านจึงไม่เพลิดเพลินมัวเมาไปผู้ยังเด็กยังเล็กกดก้มหน้าศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้อย่าไปตื่นเต้นกับหมอหรศพพบคบกันอะไรต่ออะไรหมูนั้นนั่นมันพาให้เสียเวลาในการศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆก้มหน้าศึกษาเล่าเรียน ท่องบนจดจำเอาวิชาความรู้ให้ได้ผู้เป็นนักบวชกว็เรียนทำเรียนวินัยให้ได้แล้วก็ปฏิบัติตามธรรมธรรมวินัยนั้นไม่ประมาทผู้เป็นครหอัสก็ต้องทำหน้าที่การงานสำรวมตนอยู่ในสิกขาบทห้าประการ ไม่ประมาทตั้งหน้าทำคุณงามความดีทำการทำงานอันปราศจากโทษปราศจากบาปกรรมทั้งหลายเรื่องทำแต่งการงานที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นสมรวมตนอยู่ในธรรมในวินัยด้วยดี ถากาผู้ใดมาประพฤติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะผู้นั่นก็จะทำกิเลสตัณหาอันเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์นี่ให้น้ยอยเบาบางออกไปจากกิจใจดังที่กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นแหละพระพุทธเจ้าสั่ไว้ในอริยสัจสี่นนะ่นเอ สาเหตุที่คนเราจะเกิดเป็นทุกข์ทั้งทางร่างกายจิตใจก็เพราะตัณหาความทะเยอะทะยานอยากมีประการต่างๆดังกล่าวมานั้นบางคนก็ปราถนาให้ไปเกิดเป็นเท ว, เทวดาอินพรหมเมื่อได้ฟังว่าเทวดามีความสุขมากก็อยากมีความสุขนั้น ทำบุญกุศลอะไรก็ปาถนาะให้ได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าอันนี้มันก็เป็นตัณหาประเภทหนึ่งเป็นตันเป็นตัณหาระดับกลางก่อให้เกิดความทุกข์อย่างกลางกลางหมายความว่าเมื่อไปเกิดสวรรค์แล้วก็ไปติดความสุขอยู่ในสวรรค์นั้นก็ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไร ไปชื่นชมยินดีแต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสมบัติเอนเป็นทิพย์อยู่เท่านั้นเองอย่างนี้แหละเรียก ว, ว่าภาวะตัณหาตัณหาความอยากเป็นนน้นอยากเป็นนี้ต้องเรียนรู้ไว้ วิภภาวะตัณหานั้นได้แก่ความอยากไม่เป็นนู้นไม่เป็นนี้อ้าวความอยากไม่เป็นนู้นเป็นนี้ก็เป็นตัณหาหรือก็เป็นนั่นท่านเรียก ว, ว่าตัณหาส่วนละเอียดเมื่อบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญฌานให้เกิดแล้วจิตยังเข้าถึงความสงบบรรลุรูปฌาน ไปแล้วเพ่งรูปนั่นต่อไปอีกคําว่าบรรลุรูปฌานนั้นนะมีรูปเป็นอารมณ์เป็นเครื่องเพ่งเป็นเครื่องอยู่วันนี้ไม่ยังไม่พอใจในรูปนั้นไม่พอใจในรูปนั้นแล้วก็เพ่งรูปนั้นจนหายหมด รูปปั้ ญ, ญาตดับไปแล้วจิตใจก็ยังยังเข้าสู่อรูปปัญญาความหมายไม่มีรูปวันนี้นะเช่นความหมายไปเห็นว่าอากาศว่างไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรความรู้สึกภายในจิตนะเห็นเป็นว่างไปหมดเลยนั่นเอ บางท่านก็เพ่งวิญญาณความรู้โลกอันนี้มีแต่วิญญาณความรู้เท่านั้นเพ่งอยู่แต่ความรู้อย่างเดียวบางท่านก็เพ่งละเอียดเข้าไปจนว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มี บางท่านกอบเห่งเข้าไปก็ปเห็นว่าจะเป็นสัญญาก็ไม่ใช่จบไม่ชั้นไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่มันละเอียดเข้าไปกระแสจิตนั้นเนอง น, น, นี่ท่านเรียก ว, ว่าอารูปฌานจิตใจ อย่างเข้าไปถึงขั้นนี้แล้วนั่นก็เรียกว่าเป็นอรูปภพหากว่าตายแล้วไปเกิดอรูปภพนี้ก็จะมีอายุยืนนานหลายกับหลายกันแตกจิตที่มันหลงแล้วเข้าใจว่าเป็นนิพพาน อย่างนี้เนะี่ยพระพุทธเจ้ายัางตรัส ว, ว่าเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่เป็นโน้นอยากไม่เป็นนี้เมื่อเขามาอยากส ง, งบอยู่อย่างเดียวไม่ต้องการอยากคิดอะไรไม่ต้องการอยากจะรู้ความจริงของชีวิตนี่ตามเป็นจริงแต่อย่างไดอยากจะเข้าไปส ง, งบอยู่อย่างนั้นรูปเดียว เนี่ยคำว่าความอยากไม่เป็นโน้นอยากไม่เป็นนี้ <c oughs> ท่านเรียกว่าวิเพราะว่าตัณหาดังนั้นทางที่พ้นทุกข์จริงๆก็เมื่อทำจิตให้สงบลงไปแล้วก็เจริญปัญญาต่อ สมมูรณว่าสงบลงไปแล้วเออเรามาอาศัยอยู่ในร่างอันนี้นะมันเป็นยังไงดําริในใจอย่างนี้นะมันก็รู้ได้มันก็เข้าใจได้ไปเอามาอาศัยอยู่ในรูปอันนี้ก็มาอาศัยอยู่ในรูปอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอืม มาอาศัยอยู่ในรูปอันโสโปรกโสมมไม่ใช่เป็นรูปอัน ส, สะอาดสะอ้านหมดจดแต่อย่างใดมันสะอาดแต่ภายนอกเท่านั้นเองอาศัยหนังหุ้มอยู่หนังนี่สำหรับปกปิดอวัยวะส่วนที่โสโครกโสโครกไว้ไม่ให้หน้าเบื่อได้นะัก แต่ละคนนอนเปพรมาตมันดูกันอยอแค่ผิวหนังนอกๆ น, นี่แหละเมื่อคัดถู ด, ด้วยสบู่อาบน้ำอาบหนองดีแล้วจำร่กเงลื้อไขออกไปแล้วก็ผิวพันกอกขาวผุดพองเช่นนี้มองดูแล้วกันหน้ารักหน้าชื่นชมหน้าเฉยชมจริงๆ นี่เรียกว่าคนหลงคนไม่รู้จริงคนไม่ไม่รู้ความจริงของร่างกายเหมือนในท่าว่าพิจารณาด้านด้ น, ดนจากหนังเข้าไปมันจะมองเห็นว่าไม่มีอะไรสวยงามเลยแบบนี้สมมติว่าลอกหนังนี่ออกไปอย่างนี้นะ ร่างอันนี้มันจะเป็นยังไงวาดมโนภาพดูก็ได้มันก็มีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาเปื้อนทั่วไปเลยพระพุทธเจ้าเปรียบไว้ในตำราเนเปรียบอุปมาเหมือนอย่างพวกเพชรขาดมันสำแหละเนื้ออัวเนื้อควายออกมาเอา ลอกหนังออกไปแล้วก็ยังมองเห็นโครงอืมกระดูกเห็นเส้นเอ็นเส้นน้อยเส้นใหญ่เส่นนี้แหละเนือทะลุท้องออกไปแล้วก็เห็นไส้เห็นตับเห็นไตอเห็นอาหารเก่าอาหารใหม่อะไรเต็มไปหมดไม่มีอะไรสะอาดเลย แต่ว่ามนุษย์เรานั้นมันชอบสิ่งโสกโปกของของไม่โสกโปกก็รับประทานไม่ได้อืมดังนั้นแม้ว่าจะชําแหละเนื้อต่างตางนั้นมันจะสกโปกโสมมอย่างไงมันก็ไม่รังเกียจเพราะมันนึกอยู่ในใจว่าของเหล่านี้เป็นอาหารเป็นเครื่องรอเลี้ยงร่างกาย แม้จะโสกครกก็อดทนเอาอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยคนเราเมื่อจิตมันชอบในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสดังกล่าวมานี่แล้วแม้จะเหม็นจะหอมอย่างไรมันก็ทนดมเอาไม่ใส่อิดสะเยนแล้วพอชอบใจมันนี่ ชอบสัมผัสมันตาสัมผัสกับรูปผิวหนังภายนอกนี่แล้วก็เลยสำคัญอ่าแม่สวยจริงงามจริงรูปอันนี้นนนแม้จะมีกลิ่นเหม็นอยู่บ้างก็อดเอาทนเอาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนขอให้เข้าใจ พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้พิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายนี้ก็เพื่อที่จะให้คลายเพื่อที่จะให้คลายกองกําหนัดยินดีให้ละอุปทานความยึดมั่นในร่างกายนี้ว่าตัวตนเราเขาเพราะว่าได้เป็นทุกข์กับมันมานับชาติภพไม่ถ่วนแล้ว ที่ย้อนหลังคืนไปนะั่นน่ะไอดวงกิดดวงนี้ได้มาเกิดอาศัยร่างอันนี้มานับไม่ถ้วนเลยแต่บุคคลระลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆเกิดมาชาติใดก็มาลงสําคัญว่าแต่รูปกายอันนี้เป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักให้พอใจต่างๆ ก็ยึดมั่นถือมั่นไวอย่างนี้นะความยึดมั่นเป็นตัวกรรมบ้อนีกรรมนั่นแหละก็น้ำดวงกี่นด้ไปเกิดอีกเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายอีกอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ภาวนาเพ่ง กระจายรูปกายนี้ออกไปอย่าสาคัญอนะมันเป็นก้อนเป็นหน่วยอยู่ที่จริงเนี่ยมันเป็นก้อนรวมกันอยู่กับช่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองหมดบุญเก่าแล้วรูปันนี้ก็ทรงอยู่ไม่ได้รวมกันอยู่ไม่ได้ก็ย่อมแตกกระจายออกไปจิตก็อาศัยร่างอันนี้อยู่ไม่ได้ นั่นร่างอันนี้ดินก็ไปพอดินน้าก็ไปพอน้าไฟก็ไ ป, ไปพ่อไฟลมก็ไปพอลมเราคิดพิจารณาเพ่งไงมันถึงความจริงมันอย่างนี้แล้วก็มันจะบันเศาเสียซึ่งราคะโทสะโมหะผู้ใดมันเพ่งพิจารณาบ่อยๆก็ไปเมื่อพิจารณาเห็นแล้วก็ทวนกระแสเข้ามา ว่าใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นรูปร่างอันนี้ทวนกระแสเข้ามาหาความรู้อันนี้ก็รู้ได้ว่าอ๋อดวงจิตรวงนี้แหละเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้คล้องอยู่ในรูปอันนี้กต่จิตตวงนี้แหละไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้แล้วมันก็คล้องมันก็ติดอยู่นี้แหละเมื่อมาทวนกระแสเข้ามาหาตัวได้อย่างนี้มันมันก็สามารถปล่อยวาง รูปกายอันนี้ลงได้ก็ <c oughs> เป็นหนนทางที่จะให้พ้นทุกข์ภายในสงสารนี่ได้เมื่อทาไ ป, ไปบ่อยๆทาความเพียรบ่อยๆหัดปรงหัดวางไ ป, ไปบ่อยๆเข้าไปจิตนี่มันก็ค่อยห่างเหินถอนตัวออกจากนาจากรูปนี้ไปเลยๆเนะืยในที่สุด หากว่าบุญบารมีเพียบพร้อมเมื่อใดแล้วก็จิตนี้ก็ถอนตัวออกจากนาจากรูปนี้ได้ก็มีพันิพานเท่านั้นเองเนี่ยเป็นที่ไปดังแสดงมา